เสียงานหนังสือทำอย่างไรจึงจะมีความจำดีเขียนโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดยธานีนุ ก, กูลคณิตวิชาคุณแนะนำเนื้อหาจากผู้บันทึกเสียงประสิทธิภาพของความจำส่งผลต่อการพัฒนาทั้งทางโลกและทางธรรม แต่น้อยคนจะรู้และเข้าใจกระบวนการให้เกิดความจำดีหรือไม่ดีว่ามีหลักสำคัญที่เกี่ยวเนื่องในด้านจิตอย่างไรโดยเฉพาะในแง่าจากคำสอนทางพุทธศัสนาคือเจตสิกสิ่งที่เกิดระดับพร้อมกับจิตทุกขณะเจ็อย่างที่อธิบายกระบวนการแห่งจิตกับความจำได้ดีที่สุดหากเข้าใจหลักสาคัญที่เป็นสัจธรรมแห่งจิตได้ถูกต้องครบถ้วนจะทาให้ได้หลักในการเสริมสร้างความจาให้ดีขึ้น จนถึงขั้นพัฒนาสมองให้เป็นดังเครื่องบันทึกที่เรียกค้นข้อมูลมาใช้งานได้อย่างถูกต้องแม้เพียงได้อ่านหรือฟังแค่เพียงครั้งเดียวการเรียนทั้งวิชาทางโลกหรือทางธรรมก็เสียเวลาน้อยลงไม่น่าเบื่อเกิดฉันทะในการศึกษาวิชาที่คนอื่นมองว่ายากได้ง่ายขึ้นภาวะที่จิตไม่เกลียดมีความสุขกับการศึกษาทำให้จิตเป็นกุศลเกิดสมาธิได้ง่ายซึ่งเป็นภาวะที่จิต พร้อมจะเข้าใจอะไรได้ง่ายและลึกซึง้งเมื่อรอบรู้เข้าใจอะไรง่ายจําได้แม่นไม่สับสนในข้อมูลรู้ลึกรู้ถูกรู้ตรงความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมก็ย่อมเจริญตามไปด้วยโดยง่ายเช่นกันนะครับเนื้อหาช่วงต้นจะเป็นการอธิบายพื้นฐานที่จําเป็นต้องเข้าใจก่อนคือเรื่องเจตสิกเอย่างซึ่งเป็นวิชาการขั้นสูงของพุทธศาสนา เป็นสัจธรรมคือความจริงในขั้นปรมัติ์ที่ผู้เริ่มศึกษาธรรมมักจะมองว่ายากและไม่พยายามศึกษาหรือแค่เจอคำศัพท์ก็พลอยอยากให้ถอดใจไปเสก่อนด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจำนวนมากจึงเสียโอกาสในการเข้าถึงธรรมแท้ที่มีการอธิบายในเชิงวิชาการแบบวิทยาศาสตร์แต่พากันติดอยู่แค่คำสอนในขั้นพื้นฐานที่อาจเป็นเพียงการเปรียบเทียบหรือใช้คำอธิบายให้เหมาะแก่จริตของบางคน หรือให้สอดคล้องกับความเชื่อในยุคสมัยนั้นเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นจึงทำให้หลายคนเข้าใจและมองศาสนาผิดไปจากความเป็นจริงเมื่อใดก็ตามที่เจอธรรมะที่รู้สึกว่ายากหรือเป็นวิชาการเชิงลึกคนอดทนฟังให้จบก่อนด้วยใจที่สบายตรงไหนไม่เข้าใจให้ข้ามไปก่อนฟังผ่านๆให้จบเพื่อจับภาพรวมอย่าพยายามเข้าใจให้ได้ทันทีในครั้งแรกเพราะจิตที่กดดันตัวเอง จะทำให้ยิ่งเข้าใจอะไรได้ยากขึ้นเมื่อกลับมาฟังซ้ำเป็นครั้งที่สองก็จะเข้าใจได้ดีขึ้นหากยังไม่เข้าใจจุดไหนให้ฟังซ้ำๆเฉพาะจุดนั้นบ่อยๆหรือหาข้อมูลมาอ่านเสริมจนเมื่อเข้าใจเบื้องต้นระดับหนึ่งก็ค่อยมาฟังทวนทั้งหมดอีกครั้งด้วยใจที่สบายและฟังซ้ำเรื่อยๆเม่มีโอกาสจนกว่าจะเข้าใจนะครับการฟังทํามบางเรื่องนั้น อาจต้องรอเวลาหลายปีกว่าจะเข้าใจเพราะต้องมีภูมิธรรมและบารมีด้านอื่นที่พร้อมพอด้วยสิ่งที่ทุกคนอาจพิสูจน์ได้ชัดด้วยตนเองก็คือเมื่อเวลาผ่านไปอาจหลายเดือนหรือหลายปีแล้วกลับมาฟังอีกครั้งจะพบว่าในอดีตที่เคยคิดว่าเข้าใจแล้วเป็นความเข้าใจผิดหรือยังเข้าใจได้ไม่ดีไม่ลึกซึง้งยังเข้าไม่ถึงความหมายแฝงอีกมากเท่ากับในปัจจุบัน สำหรับการฟังธรรมะนั้นต่อให้ฟังแล้วไม่เข้าใจแต่จะเกิดเป็นวิบากสะสมไว้ในจิตส่วนลึกเป็นคลังข้อมูลที่รอให้ดึงมาพิจารณาได้ในโอกาสต่อไปแม้ในชาติหน้าเกิดใหม่ก็สนใจทมและมีความเพียรในการฟังธรรมเข้าหาทางแห่งกุศลได้ง่ายขึ้นอาจารย์พรรัตนสุวรรณเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยายลัยสงของไทย ท่านเจ้าฌานทั้งด้านปริยัตและปฏิบัติเป็นผู้แปลชําระพระไตปิฎกอัตถกถาดีกาเจบ็บบมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยผู้ก่อตั้งสํานักค้นคว้าทางวิญญาณและศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนซึ่งเป็นสถานที่สําคัญในการอบรมสมาธิวิปัสนาให้แก่พระนิสิตของมหาจุลามาจนถึงปัจจุบันเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นนะครับ ชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้ด้วยธรรมะจะสะท้อนกลับมาเป็นแรงส่งให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปทุกๆด้านอย่างเป็นธรรมเช่นกันสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับ